วันนี้เป็นวันที่สิบหสิงหาห้าสองเมื่อวานวันที่สิบห้าหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับโลกธรรมแปดการนินทาสนัเสริญมันเป็นเรื่องของโลกแต่เมื่อวานพอตอนเย็นหลวงพ่อก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขาก็บอกว่าข อ, อกาสครับทนายารย์ ผมขอดูที่ว่าที่คนทํากับท่านอาจารย์หรือว่าแนวทางของท่านอาจารย์ให้ข้าว่าเขาอยากจะตําหนินะว่างั้นเถอะเขาก็บอกว่าเวลาท่านอาจารย์ลงไปกรุงเทพก็มีโยมกีดกันไม่ให้คนเข้ามาหาท่านอาจารย์พอมีคนเข้ามาแล้วว่าเออท่านอาจารย์ได้เวลาแล้วนะได้เวลาสงน้ําแล้ว อ่าอย่างนี้เป็นต้นให้ว่ามียมกีดกันแล้วก็คนในความรู้สึกของคนทั้งหลายเขาบอกว่าลุงาอาจารย์เนี่ยลุงพ่อเนี่ยคบแต่คนรวยคนจนไม่อยากจะคบอันที่สามลุงพ่อไปวัดหลวงปู่เพียนน่แจกเอ็มพสาไม่น่าจะแจกลุงพ่อเนี่ยแจกผิดสถานที่ น่าจะแจกเอ็มพสามหลวงปู่เพียรแล้วก็น่าจะแจกเอ็พีสามของหลวงตาอต่นี้ตงคพ่อกลับไปแจกเอ็พีสามของตัวเองเหมือนกับเหมือนกับเขาอยากจะพูดว่าหลวงพ่ออินอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เด่นดังลักษณะอย่างนั้นแหะแต่เขาไม่พูดถึงขนาดนั้นแหละจากนั้นเขาก็สิทธ์คำว่าเงินเขาลงว่าสิทธิ์มิสิทธ์ประเภทไหนสิทธ์เทวทัศน์หรือสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้่างั้นจ้ะ ถ้าวศิษย์จริงก็ต้องมาพูดต่อหน้าอาจารย์ยังก็ถูกนะอันนี้ศิษย์แบบนี้ว่าศิษย์แบบศิษย์แบบคือควายมันศิษย์อย่างนั้นแล้วงั้นแต่ภาษาอีสานก็ว่าควายมันศิษย์นะคือควายมันควายมั น, มนชนเมกันมันศิษย์แต่หลวงพ่อก็ได้พิจารณาแล้วที่หลวงพ่อได้พูดร่วงนาไปก่อนแล้วตอนเช้าใช่ไหมล่ะพอตอนบ่ายก็เขาก็พูดมาอย่างนี้หลวงพ่อก็มาพิจารณาดูธรรมดา หลวงพ่อไปนะ่าจะานที่ใดถึงจะอยู่ในวัดก็เถอะถึงจะไปที่ไหนก็ตามหลวงพ่อจะบอกผู้ใกล้ชิดว่าเออถ้าได้เวลาแล้วก็บอกเรานะถ้าได้เวลาแล้วก็บอกเราเดินทางระยะเวลาเท่าไหร่แล้ว ก, ก่อนที่จะเดินทางอย่างน้อยก็ให้เราได้เตรียมตัวสงน้ําอะไรก่อนให้บอกให้ให้เราก่อนนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะได้บอกผู้อยู่ใกล้ชิดเพราะนั้น ผู้อยู่ใ้ชิดเขาก็บอกว่าหลวงพอ่อได้เวลาแล้วนะหลวงพ่อก็ต้องไปทําหน้าที่ท่ไอ้พวกที่เข้ามาใหม่พอได้ยินอย่างนั้นก็เหมือน ก, กระกีดกันเขาลักษณะน่ะพอกิเลสเนี่ยพอกิเลสเนี่ยเหมือนกระกีดกันคนอื่นเขาคนนี้เข้ามาบอกทั้งที่หลวงพ่อยังไม่ขยับจะขยับยังไพงพรหลวงพ่อบอกแล้วนี่ได้เวลาก็บอกนะเพราะหลวงพ่อไม่รู้จักระยะทางนะจากนี้ไปถึงนู่น่ะใช้เวลาเท่าไหร่ เพรานั้นสุชาต้องบอกเรานะอันนี้ก็คือหลวงพ่อต้องบอกแล้วก็ภายในวัดก็เหมือนกันที่เขาขึ้นป้ายไว้นะสูชาติ์ต้องบอกหลวงพ่อนะได้เวลาแล้ววันไหนเป็นวันอะไรจะให้หลวงพ่อจําจดจําทุกอย่างไม่ได้ภาระของหลวงพ่อนะี่มีมากเหลือเกินแต่ละวีแต่ละวันจะมาให้จดจํำงงเงนินๆดุกสิทธิ์เตรมวัดเต็มีมวาจะให้หลวงพ่อเป็นภาระทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะสูชาติ์ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเรานะ อันนี้อยู่ในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องบอกอย่างนั้นอีกเหมือนกันหลวงพ่อยังสรดใจมีพะระเจรศร์ท่านหนึ่งอยู่ในกรุงเทพในหลวงนิมนท่านท่านก็ขึ้นป้ายเอาไว้อยู่แต่พอวันจริงๆท่านก็ลืมเพราะท่านอายุมากแล้วดุคิด ก, ก็ยังว่าเหมือนกันนะดุกคิทอย่างว่านั่นนะใช้เขาชิดเลเือกันนละไม่ดูไม่แลครูบาอาจารย์ ผลที้สุดถึงวันมาแล้วก็ทางในเวียงในวังเขาบอกว่าทำไมท่านไม่ได้ไปในงานท่านไม่สบายเหรอท่านก็บอกโอ้ตายเราลืมจริงๆนะท่านก็เลยคล้ายๆก็บอาช็อกว่างานถ้ะให้ว่าเป็นงานใหญ่ท่านก็ช็อกในขณะนั้นเลยนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินมาเออ ไม่สบายใจอีกเหมือนกันนั่นละว่ากันแต่อันนี้นเรื่องเก่าๆลรอกแต่มันก็เป็นประวัติศาสตร์นี่หลวงพ่อก็ได้บอกพระไว้เหมือนกันเออถาาว่าเรากิจธุระนีมนตเรื่องอะไรก็บอกเราด้วยนะเวลาเท่าไหร่ยังไงใครต้องบอกเราอย่าให้เราไปดูไปจดไปจําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คือหลวงพ่อก็ได้สั่งเอาไว้ในเมื่อสั่งเอาไว้ เขาก็ต้องมาบอกตามที่เราได้สั่งไอ้คนที่ปากยาวไม่รู้เรื่องรู้ราวกันนะี่แหละมัวเมียกับเห่าไปเรื่อยพวกปากยาวคือพวกไหนพวกปากหมาตรงตามหาบัวว่างนั้นนะหมามันปากยาวปากคนมันปากสั้นใช่ไหมลนะ่ะพวกปากหมาตรงตาบ้านนะ่ะอันนี้ใส่สับของดวงตาเนะ่พวกปากหมานะมันเห่าไปเรื่อยอันนี้ก็คือที่ที่เขาพูด แต่เราก็ฟังไม่ใช่เราไม่ฟังแต่สําหรับที่คนที่เขาบอกว่าหลวงพ่อพบกับเศรษฐีก็ดีไนงะถ้าเศรษฐีมาหาผมก็ดีนี่วะหลวงพ่อก็อยากได้เหมือนกันลูกศิษย์เศรษฐีแต่ลูกศิษย์คนยากจนหลวงพ่อก็มาเนว่าเพราะพระเนในวัดของหลวงพ่อเนี่ยพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เศรษฐีนะเพราะชาวไร่ชาวนาเต็มไปหมดหลวงพ่อก็มาเนีปฏิเสธหลวงพ่อเองก็เป็นชาวนาเหมือนกันนะ่ะ หลวงพ่อไม่ได้ว่าหลวงพ่อเป็นเศรษฐีนะลวงพ่อเป็นชาวนาหลวงพ่อมาเลิกเกิดที่ชาวนาทําทไมพอเกิดมาแล้วจะได้บวชง่ายถ้าเกิดเป็นลูกเศรษฐีขึ้นมาแล้วก่อนจะออกมาบวชได้หเห็นไหมล่ะพรลุงพลังแต่ลวงพ่อมาเกิดเนี่ยลวงพ่อภาคภูมิใจไ ม, ไม่เกิดเป็นลูกชาวนาโอ้พกภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุผมเกิดเข้ามาแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเราจะมุ่งหวังอะไรเกิดมาแล้ว ล่ำรวยก็ใชบ่บุญกุศลที่พาล่ำรวยแต่หลวงพ่อเนี่ยพอบวชเป็นพระเนี่ยจะล่ำรวยอะไรอยู่มุ่งหวังอะไรเราเป็นพระเนี่ยเราฉันวันละมื้อเนี่ยก็พอแล้วถ้ามีมาก็เออเราก็แบกแจกแบก่งไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสร้างโรงล่ำบงังสร้างโรงเรียนบงังสร้างโรงพยาบาลบางังอย่างบรนดานบังกรกประกาศให้ศรัทธาญาติโยมรับทราบนะ หลวงพ่อได้เหมาใจางวดที่สามโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนอะหลวงตาสั่งก๋วยเตี๋ยวแต่วัดคณะลูกศิษย์ลูกหาวัดของเรานี่ยจ่ายเงินจ่ายเงินถวายหลวงตาหลวงตาเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหลวงตาเป็นผู้สร้างอาคารสิบแปดงวดแต่ ง, งวดที่สามเนี่ยพวกเราร่วมร่วมกันคนละไม้คนละมื อ, ค น, มอคนละนิดคนละหน่อย จ่ายไปสามล้าน8ปดแสนสองหมืนกว่าบาทเราได้มาเราเพื่ออะไรเราไม่ได้เพื่อเราเราฉันวันละมือ้อผ้าหีวจนของเราแต่ละผืนใช้ถึงสามสี่ปีก็ไม่ขาดยาสีฟันของเราหลอดหนึ่งใช้เป็นปีและอะไรที่เราจะได้ใช้มันไม่มีอะไรเพราะเราเป็นพระอันนี้เราก็ได้มาแล้วก็เพื่อชุมชนสังคม ถ้าได้ลูกศิษย์ลูกหาเศรษฐีก็ดีนี่เพื่อเขาได้มาเราก็จะได้ช่วยชุมชนถ้าว่าไม่ได้มาเราก็เป็นทุกข์ไหมเราก็ไม่เป็นทุกข์อีกเราก็อยู่อย่างพระอีกได้ม า, มากก็ใช้มากได้น้อยก็ใช้น้อยถ้าได้มามากก็กินมากวันไหนได้กินได้น้อยมากกินน้อยถ้าไม่มีมากก็ไม่กินอย่างหลวงพ่อไปทุดงในป่า บินทบาทบางทีได้ข้าวเหนียวไม่กี่ก้อนมีแต่ข้าวเหนียวเพรานั้นหากเกลือก็ไม่มีอยู่อยู่เกือบเป็นสองอาทิตย์เนี่ยกินแต่ข้าวลงพ่อก็เคยมาแล้วก็ไม่เห็นมันตายทุกก็เคยทุกมาแล้วรวยก็เคยรวยมาแล้วเพราะนั้นถึงจะทุกหรือถึงจะรวยขนาดไหนก็เถอะมันเอาไปด้วยไหมมันเอาไปไม่ได้ไม่เอาไปได้หรอกเอาไปด้วยไม่ได้นะต้องทิ้งไปในโลกทั้งหมดสมบัติ พัชทานเพราะนั้นถึงจะร ว, วยถึงจะโจนก็อย่าไปตื่นตนกให้รู้ว่าสิ่งนั้นก็คือปัจใจสี่เราจะใช้อย่างไงให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมเท่านั้นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อคิดในจุดนี้เสมอถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อพูดดูสิในเอ็มสามของหลวงพ่อหลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้กี่กี่ครั้งต่อกี่คนแล้วแล้วก็ใครมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสะสมอะไรไว้บ้าง ให้รูละโออา o R. แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อทำขึ้นมาเนี่ยต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องแข็งแรงท่านั้นแะบอกได้เลยว่าต้องแข็งแรงต้องสะอาดต้องเรียบร้อยทำแบบสุ่มๆเ ซ, ซ, ซ, ซ, ซ่อเซ่อเซะอะตชุตซะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกพอทำขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำอีกทำแบบนั้นหลวงพ่อจะไม่ทำ ทำแบบนั้นทำแบบคนไร้ความคิดคนไม่มีปัญญาพูดอย่างนั้นได้ถ้าคิดจะทำสิ่งไหนต้องคิดทีดีซะก่อนค่อยทำํำว่าจะทําจุดไหนต้องคิดทีดีซะก่อนต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไงจุดนี้ต้องคิดให้อ่านให้ดีแล้วก็อย่าไปย้ายอีกพวกเราเห็นไหมที่หลวงพ่อมาสร้างที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยย้ายอาคารใหญ่ๆ ห, หลังใหม่ๆหลังใหญ่ๆย้ายไปที่อื่นไม่มีแต่มีแต่ว่าเออสมัยก่อนก่อนหน้านี้หลวงพ่อจน มันไม่มีตังค์แต่บัดนี้มันพอมีแล้วหลังคาเก่าก็รั่วปวกขึ้นแล้วน่าจะเปลี่ยนหลังเปลี่ยนหลังคาใหม่ซะให้มันดีขึ้นเอออันนี้ต้องทําเปลี่ยนใหม่ให้มันดีขึ้ น, เ, ออ น, น, เ, น, น, นเพราะสมัยนะั้นมันจนอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันพอมีแต่เดี๋ยวนี้รวยไหมก็ไม่ถึงกับรวยแต่ว่ามันพอเป็นไปได้เราก็ทําให้มันดีขึ้นซะอันนี้โดยมากจะเป็นลักษณะนั้นที่พัดของเราแต่ถึงยังไงก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะในสะดุด มุชดุดตาอย่างซาลงซาลาของเรามันก็ตามยุคตามสมัยแต่ทุกวันนึงชาวซาลาเนี่ยหลังนี้ใหญ่ไหมแต่ถ้ามาดูซิทุกวันนี้มันเกือบจะไม่มีที่นั่งอยู่แล้วนี่แหละอันนี้ก็คืออติเลกัลลาบหลวงพ่อเองไม่สะทกไม่สะท้านไม่หวั่นไหวถึงจะยากถึงจะทุกข์ถึงจะจนถึงจะมีหลวงพ่อกันนะคือหลวงพ่ออย่างเก่าเพางั้นะ ถึงจะรวยจะมียังไงหลวงพ่ออินก็คือหลวงพ่ออินอย่างเก่าคนจะเลื่อมใสไม่เลื่อมใสก็คือหลวงพ่ออินอย่างเก่าแสดงว่าจดหมายฉบับนั้นไม่เคยแสดงว่าไม่เคยเข้ามาหาหลวงพ่ออินว่าไงเถอะเห่าอยู่ข้างนอกเฉยๆว่าไงเถอะแล้วก็เขาบอกว่าทําไมหลวงพ่ออินจึงแจกเอ็มพสที่วัดที่งานหลวงปู่เพียนนียแต่ข่าวข่าวหนึ่งเขากับตาหนิมาเหมือนกันนะคงจะเป็นคนเดียวกันก็ไม่รู้่ะ เขาตำหนิว่าทำไมไปแจกเอ็มปีสามที่วัดหลวงพ่อทุยเขานะแต่คราวนี้เขามาพูดอีกแต่อาจคนละคนก็ได้ทำไมไม่แจกของหลวงตาหรือของหลวงปู่เพียรถ้ามีของหลวงตามาก็มาให้หลวงพ่อสิหลวงพ่อก็จะแจกให้ดูอีกเหมือนกันนะั่นนะอันนี้ไม่มีมาจะทำยังไงอคนที่พูดมันก็ไม่เคยคิดอีกว่าไม่เคยคิดจะทำซีดีมาแจกใครอีกต่างหากหลวงพ่อเพียรก็เคยมีไหมเอ็มเทศนาของหลวงพ่อเพียร ไม่มีเพราะท่านไม่เคยพูดเนะมันพูดคนที่พูดนะ่ยคล้ายๆมันไม่คิดสรุปแล้วก็คือปัญญาอ่อนวตั่นแลต่ที่หลวงพ่อนำมาบอกกล่าวให้พวกเราฟังนี่ครับคือเมื่อเขาพูดมาแล้วลักษณะสนเทศบัตรสนเทศมันั้นะไม่มีชื่อมนนันนั้นและเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกให้พวกเราฟังนี่แหละขนาดเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ย ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมมันก็ยังมีโลกกะระทำเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคารวาสญาตโยมจะไม่มีโลกกะระทำจะเป็นไปได้เหรอมันต้องมีทั้งหมดนะวะ่ยโลกกะระทาอย่างที่ลงพ่อได้พูดพวกเราเกิดมาในโลกนึงโลกกะระทำครอบครอบคองคร อ, อบงามีลาบเสียมลาบมียดเส่อมยดนินทาจะิเสริญสุขทุกข์แต่พวกเราต้องการสี่อย่าง แต่เราไม่ต้องการสี่อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงจะโลกกระทำประเภทไหนถึงจะต้องการหรือไม่ต้องการคนตามก็ให้พวกเราทําใจเอาไว้ทุกอย่างนะเหมือนกับช้างลงไปสู่สร ม, สมรภูมิคือเข้าไปสู่ในแนวรบต้องอดทนต่อลูกสอนมาในทิศทั้งสี่ นี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้ามาในชุมชนเข้ามาในชุมชนเข้ามาในกลุ่มชนเราก็พร้อมที่จะรับในการยกย่องชนะเสริญนินทาของคู่คนทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเราไม่อยากจะรับอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะสร้างวัดเราคูวรจะไปอยู่ในป่ารงพงไพมุดอยู่ในถ้ำองค์เดียวออกมากับมาบินทวาทมาฉันฉันแล้วก็มุดอยู่ในถ้ำองค์เดียวอันนั้นจะไม่มีใคร ที่จะไปดุด่าว่าเก่าไปยกย่องฉสสันเริญเพราะเราไม่ได้สนใจกับใครเพื่อเพคนก็จะไปหาเรื่องยุ่งใส่ท่านอีกอย่างเก่านั่นแหะว่ามนุษย์เป็นเรื่องของยุ่งเยิงวุ่นวายที่สุดคือมนุษย์เหมนันะพิษภัยที่อันตรายที่สุดก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นพิษภัยที่ร้ายแรงที่สุดเพราะนั้นพวกเรานะถึงจะเป็นยังไงก็ตามให้ดูให้ดูเรานะ ถึงใครจะดีจะร้ายจะจกย่องจะนั่นเสรือนอันนั้นก็คือปากของเขาถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องตกตกใจแต่ถ้าเราเป็นอย่างเขาว่าเราก็ตรวจตราดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนี่ยตรวจตราดูว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เขาว่าไหมถ้าเป็นอย่างเขาว่าเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องมีอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยแหละให้เชื่อมั่นในตัวของเราเองเชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทําเราทําดีแล้วเราไม่ได้ทําชั่วเนี่ยเราจะไปเดือดร้อนปั่นไหวกวยแกลงไปทําไมถ้าเราทําที่ไม่ดีแล้วถึงใครจะไม่พูดเราก็ตำหนิตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าคิดผิดแล้วข้าพเจ้าพูดผิดแล้วข้าพเจ้าทําผิดแล้วตําหนิในใจ เราก็ไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะเราคิดผิดพูดผิดทําผิดแต่เราคิดถูกพูดถูกทํา ถ, ถ, ถ, ถูกแล้วตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนอะให้เชื่อมั่นในตัว ข, ของเราเองเชื่อมั่นกระทั่งว่าเราทํากรรมสิ่งไหนไว้เรานั่ะเป็นผู้รับกรรมนั้นถ้าเราทํากรรมชั่วไม่มีใครที่จะมารับกรรมแทนเราถ้าเราสร้างบุญบุญ ก็จะมาเราจะเป็นผู้รับบุญเองถ้าเราทำบาปเราก็จะเป็นผู้รับบาปเองเราจะไปตกนรกเองเราจะไปสู่สวรรค์เองถ้าเรารักกิเลสได้เราไปจะไปสู่นิพพานเองเราไม่มีใครที่จะให้ใครมามาทำให้แกเรานั่นแหละมันต้องเชื่อขนาดนั้นเชื่อในการกระทำของตัวเองถ้าเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเราถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้ว ัและไม่มีใครที่จะมารับทำกรรมชั่วแทนเราเรานั่นแหละเป็นผู้รับกรรมดีกรรมชั่วในการกระทําของเราเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าทํากรรมชั่วถ้าตกนรกทํากรรมดีนั่นไปสู่สวรรค์ทาละกิเลสได้ไปสู่นิพพานเราจะเอาอะไรในทางสองแผงนี้เราจะเอาดีหรือเอาชั่วต้องถามตัวของเราเองทีนทุกคนก็ต้องเอาดีนั่นแหละถ้าเอาดีทํำยังไงในหลักของพุทธศาสนาก็ให้ทานนะ รักษาศีล น, นะภาวนานะชาระจิตใจของตนเองนะดูใจของตนเองนะอย่าให้จิตใจของเราวันไว้กวยแวงนะอย่าให้มีกิเลสราคะโทสะโมหะนะถ้ากิเลสมียุนในจิตในใจแล้วนั่นละ่ะไม่อยากจะได้ทุกข์ก็ต้องได้ทุกข์เพราะเหตุใดพรา ก, กิเลสมันพาดนาไปในทางที่เสียหายนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บาเพ็ญบารมีอยู่ สีอสงไขยกาไรแสนมหากับผลวิสุทธก็ได้ตัดสรุธรรมที่โคนต้นโพวันเดือนหกเพนี่นี่แหละท่านสู้อย่างสุดๆดเหมือนกันสู้ในกิเลสในใจของพระ อ, องค์ท่านกิเลสในใจของท่านคืออะไรราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงตามไม้จริงนาถ้าเรามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้ว ตัวราคาเนี่ยเป็นกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดเพราะเหตุใดจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยท่านตัดกิเลสตัวราคะกับตัวโทสะก็กรเดนไปด้วยกันขั้นขึ้นไปอยู่ชั้นสุดทวารห้าชั้นอวิหาอัตปาสุสาสุเสียกนิฐานพรมไปอยู่ชั้นพรมจากนั้นไปชําระใจของพระองค์อยู่ชั้นพรมตัวชําระอวิชชาคือตัวไม่รู้คือตัวโง่ นิดหน่อยจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกคือตันท่านตัดราคาแล้วเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายหน้าคิดเหมือนกันนะั่นแหะนี่แหละเพแปลว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดจรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์นั่งสู้กับพญามารและเสนามานนางตันหาราคาอรดี แล้วกับบริวารของมารนนางทรณีได้บิดม้วยผมพยามารทั้งหลายพร้อมกับเสนามารนจมน้ำมหาสมุทรไปเลยด้วยจิตแรงอธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งอยู่โคนต้นโพ ท, ท่านเลยชนะมารนถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วนะมารนเหล่านั้นก็คืออะไรนางตันหานางราคานางอรารดีและกับพยามาร สรุปสรุปออกมาแล้วก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองพญามารเหล่านั้นโลภโกรธหลงราคะนี่ยราคะก็คือนางตัณหาราคาอัลตรีราคาโทสะก็คือพญามารที่จะมาแย่งบัลลังก์โมหะคือคือความหลงที่จะมาแย่งบัลลังก์เพื่ออะไรต้องการอะไรทําไมเพราะความหลงพระพุทธเจ้าท่านเอาชนะพญามารพร้อ ม, อมเสนามาน บริวารของมารชนะนางราคานางตัณหานางอรอ ด, ด, ดีที่มาเบียดเบียนที่มายุ่ยวยวนพระพุทธองค์พระพุทธองค์งชัมละจบลงไปแล้วพระองค์บอกว่าดูก่อนกามเอ่ยเรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้านี่เกิดมาเพราะความดำริคํานึงถึงนั่นเองแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่า ตนเง่าของเจ้านะคือความดำริคำานึงถึงบัดนี้ข้าพปเจ้าจะไม่ดำริคำานึงถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครๆบอกพระพุทธเจ้าเยอะแยในเยอะแยนกามเหมือนกันดูก่อนกามเอ่ยเจ้าเกิดขึ้นมาได้เพราะความดำริคำานึงถึงนั่นเองแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าเกิดมาเพราะความดำริคำานึงถึงเราจะไม่ดำริคํานึงถึงเจ้าอีก เจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธองค์ชนะพญามารและเสนามานชนะกิเลสราคะโทสะโมหะที่โคลนต้นโพพระพุทธองค์กล่าวคํำนี้แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายธรรมตัดตัวนี้ออกหมดแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเรื่องแย่งดีแย่งดีชิงลาบชิงยศชิงชนะเสริญอะไรกันน่ยมันไม่มีทั้งหมดนั่นแหละมันออกมาจา ก, กจิตใจทั้งหมดเรามุ่งหวังอะไร อายุของเราเท่าไหร่เวลาเราตายเราได้อะไรไปด้วยกระ ด, ดูของตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงยศฐานบันดาสศักราบยศสนเสริญเยินย อ, ยอทั้งหลายทั้งปวงทิ้งไม่หมดในโลกนะเมื่ออยู่อยู่ในโลกนะเหมือนกับตัวหนังตัวละครนะออกมาเต้นแรงเต้นกาข่าเป็นเชนาข้เป็นอัมมาดข่าเป็นนักปราดบัณฑิตข่าเป็นคนเฉาไห่ชาวนาใที่สุด พอจบการเล่นแล้วก็เก็บเข้าฉากเงียบไปต่างคนต่างไปนี่ก็เหมือนกันนะั่นพวกเราเนี่ยหลวงพ่ออิ น, นแสดงเป็นผู้แสดงเป็นหัวหน้าพระพวกพระเป็นบริวาร น, นั่งอยู่ด้วยนั่งฟังศรัทธาญาติโยมก็นั่งอยู่นี่ปไปบินธบาทกับชาวบ้านโดนแล้วจะเป็นตัวละครทั้งนั้นผลในสุดพอจบแล้วกันนะั่ะหลวงพ่ออินก็จะต้องถอดผ้าจีบอนออกหมดเดินไปกับพวกเราท่านทั้งหลายเสมอภาคกันคือความตาย พอถึงคลาวตายมาแล้วตายด้วยการเผาไฟทิ้งทั้งหมดพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ทางว่าเป็นเสียจะเกิดจึกสงครามหรือสินามิอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าตายธรรมดาบ้านเมืองสงบอย่างนี้ก็ต้องนั้นต้องเข้าไปสู่เมนด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ไปจุดนั้นพอตายไปแล้วกัเบเผาข้อในเมร์กระดูกก็ทิ้งไว้ในเมนอีกไม่มีใครที่จะเอาไปได้พวกลูกหลานญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมคนนั้นอะเอาไป ลงน้ำมหาสมุทรทะเลเอาไปลงน้ำโขงแล้ ว, วันาลอยอังคารสิ่งที่แท้ก็เอากระดูกไปทิ้งนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีเพียงแค่นั้นชีวิตหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราจะลืมตนลืมตัวอวดอ้างวางเขาจนไม่รู้จักความดีความชัว่วลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ประกอบคุณงามความดีเสเลยหลวงพ่อวันหลงพวกเราหลงจนเกินไปเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทีนี้ไม่ให้ย่อหย่อนเนื้ออ่อนข้อต่อการทํามาหาเลี้ยงชีพเรามีหน้าที่อะไรอยู่ในสถานะไหนเราต้องทําดีที่สุดในสถานะนั้นๆอย่างหลวงพ่อเป็นหัวหน้าวัดอย่างนี้หลวงพ่อก็ทําดีแนะนําดีสอนดีบอกกล่าวดีแล้วก็แนะนําพระเนนให้เป็นตัวอย่างเด้อต่อไปภายภาคหน้าถาวัดหลวงพ่อตายไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลาย เป็นผู้ใหญ่เป็นสมพารต่อไปภายภาคหน้าอยู่วัดวาศาสนาให้เป็นพระที่ดีเนะ้อให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเนะ้อหลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนผลที่สุดก็เนหลวงพ่อก็ตายลมหายตายจากไปพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ดูแลรักษาประศาสนาต่อไปสืบทอดไปอันนี้คือหน้าที่อันนี้เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายจต่ายญาติโยมก็คงจะอย่างนั้นเหมือนกันนะั่นแหะแต่ถึงจะทําดีขนาดไหน แต่ในใจแล้วต้องคิดไปอยู่เสมอเออหลวงพ่ออินเอ้ยถึงท่านจะทําดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งท่านจะต้องทิ้งทั้งหมดนะกระดูกของท่านก็จะต้องทิ้งวัดวาศาสานาไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อสอนตัวเองอยู่เสมอถ้าพวกเราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาพวกได้มาได้ยินจากหลวงพอ่อพวกท่านทั้งหลาย น่าจะคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดว่างั้นเ่ะสรุปแล้วก็คือให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่แต่ในใจแล้วต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องทิ้งจะต้องวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าจะสังสมแต่คุณงามความดีจะสังสมแต่บุญกุศลเท่านั้นในใจิตในใจนะเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่ง ในตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอ